จะเรีนในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลมพระพทยญาณกำลังนำเสนอมาถึงช่วงที่พระเจ้าทรงชี้แจงให้ปัญจวัคคีย์ทราบถึงสถานะของพระองค์ว่าเป็นพระหันสติรู้ดีสติรูชอบเประรงค์เองแต่ท่านเหล่านั้นก็คัดคัดคั ด, ค, ดค้านในลักษณะลํำเลิกในการที่พระเจ้าลงเลิก มันเป็นทุกข์กิ ร, ริยามาเป็นเพียนทางจิตนี่คือตอนมาเป็นเพียนทุกขรกิริยานี่ท่านเห็นอยู่ว่าไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเลยแต่ตอนมาเป็นเพียนทางจิตนี่ท่านไม่เห็นแต่ท่านไปปฏิเสธเห็นไหมคือสิ่งที่ท่านเห็นแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาแต่ท่านก็ไปปักใจ แสดงว่าความเชื่อเนี่ยง ม, มงายแล้วก็กลายเป็นทิฏฐิประเภทที่เรียกว่าอิดมมาเมวะสัจจังโมคะบรรยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ท่านไปเสดท่านไปเห็นแต่ท่านไปเสด ซ, ซึ่งซึ่งเป็นวิธีการคิดของคนทั่วไปเนี่ยเราสังเกตระเบียนนี่เราให้ข่าความสําคัญแก่ข่าวคราวคนนังสื่อพิมพ์สื่อสารมวลชนนี่มากก็คือพวกนี้เหมือนกษัตริสาดา ประกาศสิทธิ์จะสวงสวรรค์พูดอะไรถูกหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าเราให้เป็นข้อมูลสาหรับรับฟังจากส0มสิเปอร์เซ็นเนี่ยรถถู้สึกจะบุญแล้วนะฮะเพราะเป็นข่าวสารเฉยๆแล้วก็วุฒิภาวะในบางเรื่องเนี่ยไม่ควรต่อการที่จะยอมรับไปทันทีทนันใดแต่ว่าเราก็ไปเชื่อง่าย มันก็เชื่อแบบเนี้ยแบบอันเดียวกี้เนี่ยยังไม่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบอะไรแล้วก็ปักใจแต่สิ่งหนึ่งในตัวไม่รู้เรื่องอะไรปฏิเสธหลักยืนยันในสิ่งที่ตนไม่เคยเห็นผลปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่เห็นแม้แต่เหตุน่แต่ปฏิเสธผลน่ะนั่นคือความคิดที่เป็นโมหะกติแล้วก็กลายเป็นลักษณะอุปาทานเขาเรียกว่าทิฏฐุปาทาน คือถือมั่นด้วยอำนาจความคิดความเห็นที่สืบต่อกันมานะฮะก็แนวค่อนข้างจะประหลาดและซ้าไปเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าก็รับสั่งครั้งที่สองครั้งที่สามข้อความเหมือนกันเหมือนกันทุกคำ น, นะพระนิพพนคีร์ก็ไปเสดทุกคําทุกครั้งเหมือนกันแล้วไปเสดข้อความเดียวกันพระพุทธเจ้าจะไม่รับสั่งอะไรเกินสามครั้งเพราะก็พระพรองค์ก็เปลี่ยน เปรียนว่าพูดให้ยอมรับเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องพูดใหม่คือพูดให้คิดเอาเองนั่นคือวิธีการหนึ่งหนึ่งนะเราจะเห็นว่าเมื่อเขาไม่พร้อมจะใช้ศรัทธาก็ต้องให้ใช้ปัญญาแล้วคุณมีพอหรือเปล่าเพราะนั้นปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาที่เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของท่านเองคือไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนที่จะต้องไปคิดอะไรมากมายไกล่ก่ปัญญาระดับจาระดับสัญญา เรียดรับจำเฉยๆก็รับสัรงว่าดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายพวกเธอยังจำได้หรือว่าถ้อยคำเช่นนี้เราเคยพูดแล้วในปางก่อนแต่การนี้พอมาถึงประโยคนี้งงเลยปบางทีบอกว่าไม่เคยได้ฟัง อยู่ร่วมกันมาห้าปีกว่านะครับผู้เจ้าไม่เคยรับสั่งคำประโยคนี้เลยเพราะไรเพราะตอนนั้นธงไม่ได้จัดสรุปแล้วมันเป็นการยืนยนันว่าวิธีการทุกขรกิริยา น, นั้นไม่ได้ทาให้คนจัดสรุปป่อยบัตมาตั้งนานและเธอก็เห็นกันอยู่วิธีการตรงนี้ยวิธีการคลิกกระตุกให้สุดคิดเนะี่ยกระตุกให้สุดคิดคือเราไม่สามารถจะอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลอะไรได้พอเธอไม่ยอมเข้าใจอ่ะ แปลว่าวุฒิภาวะระดับหนึ่งที่ใช้แนวอุปมาเทียบเคียงหรือใช้แนวประสบการณ์เกิดต้นนียคิดโดยเขามีประสบการณ์อยู่แล้วแนวตัวเนี้เราจะเห็นว่าบางทีเราถามเด็กเนี่ยถามเด็กก็ถามถามเชื่อเกือบเกือบรู้คำตอบนะฮะแล้วให้เด็กกระตอบได้แกมีความเชื่อมัน่นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่า เว้ยเนี่ยมาจะถามเด็กอยู่สามสี่ประโยคคือถามอยู่เรื่อยนะไปที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็ตาถ้าไม่ลืมล้วก็จะพยายามถามก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่องด้วยนะว่ามันสามารถโน้มน้าวไปได้หรือเปล่าเราตั้งคำถามว่าพ่อแม่เนี่ยก็แต่งงานกันแล้วถ้าเขาไม่มีลูกเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมเห็นไหมเป็นประสบการณ์ตรงที่แต่ละคนมีประสบการณ์ตรงนี้ คือตอบใช่หรือไม่ัานเด็กนีแล้วก็สองเราเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดมาได้ไหมก็ได้หรือไม่ได้คำถา น, นเด็กง่ายนิดเดียวแล้วก็ถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกอะ่ะเกิดเกิดตอบง่า ย, ายแล้วก็บอกว่าเด็กไม่ต้องตอบได้คิดดู จนถึงว่าถ้าเด็กแกเล็ก ๆ, ๆเนี่ยเราก็ใช้คําอีกประโยคหนึ่งบอกว่าสมมติว่าพ่อแม่เราเป็นแมวเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมใกล้ๆก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่ง่ายเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์แต่พอเรานำเข้าไปสู่กระบวนการคิดที่เชื่อมโยงเพื่อเกิดสํานึกันยูว่าเราเนี่ยโดยสถานะแท้จริงเราเป็นผู้อาศัยโดยประการทั้งปวงพ่อแม่นั้นให้ชีวิตทั้งชีวิต ให้เลือดเนื้อทั้งหมดแก่เราให้ชีวิตทั้งหมดแก่เราแล้วประสบความทุกข์ทรมานต่างๆงานทุ่มเทลงไปอีกกี่เท่าตัวก็ไม่รู้เพื่อออกมาเลี้ยงเราเนี่ยแต่ท่านอยู่กันสองคน婆เมียทัางก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้สํานึกกตัญญูต่อพ่อแม่เพื่อเด็กได้คิดแล้วก็ไปเชื่อมโยงถึงประเทศชาตศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งหมายความก็อยู่ได้ถ้าเราไปเกิดมาเนี่ย แต่เราเกิดมาไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเราจรึงเป็นผู้อาศัยมันไม่ใช่ขำว่าใสยเขาป ร, าเราะเด็นนี้มันดูน่าเกลียดได้เกินไหนคนอะอะไรเรียกร้องคมคูคุกคามเหมือนกับทาสในเรือนเบีย้ยดูแลแค่ตัวเองเป็นโจขุนมุนนายที่ว่าคนทุกคนต้องไปแบนตามเขาก็าจะปิดถนนก็จะทําอะไรเป็นเสรีภาพแต่เขาจะทำได้ ไปทุบรถชาวบ้านอ ะ, อะไรเนี่ยอาละวาดเก๊กอาละวาดเป็นผู้อาศัยแผ่นดินก็แท้ๆนะทำตัวใหญ่ได้เกินนั่นคืออะไรคือขาดสํานึกลืมตัวไม่รู้ว่าเราเป็นผู้อาศัยแผ่นดินไม่ใช่แผ่นดินอาศัยเราเพราะแนวตัวเนี้ยพระเจ้า ก, ก็ถามจากประสบการณ์จะ ง, ง่ายนะเห็นว่าตอบคาเดียวว่าเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยิน จะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมันก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้ฟังไปก่อนวิธีการเหล่าเนี้ยอย่างที่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปเจอเด็กแกไล่แก่เล่นเล่ น, นนะ เ, เล่นสนุกนะเบกเด็กเล่นกเด็กเล็กๆกลายจี ง, งูกันพระเจ้าก็เสด็จเข้าไปก็เราสังถามว่าทําอะไรกัน บรรยากาศอบอุ่นนฮะเราจะเห็นว่าเปนบรรยากาศที่อบอุ่นมากเด็กก็กล่าวทูลว่าลายตีงูถามว่างูอะไรเด็กก็บอกว่า ง, งูเขียวตีทำไมมันเด็กไม่เคยคิดมาก่อนอ่ะไม่เคยคิดมาก่อนเด็กก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าก็ให้คิดใหม่ก็ให้ข้อมูลใหม่ว่าถ้าเราจะตีเธอบ้างเนี่ยจะเอาไหม เด็กไม่เอาแต่ว่าประสบการณ์การถูกตีแล้วเจ็บนี่มันเป็นประสบการณ์ที่มีอยู่ถามว่าทำไมอ่ะทำไมไม่เอาอ่ะเด็กก็บอกว่ากลักวเจ็บเพราะในใจข้อมูลนี่มันมีความชัดเจนว่าเธอมีข้อมูลที่จะตัดสินในประเด็นอื่นได้ก็สั่งถามงูที่พวกหนูตีกันนี่เขาเจ็บไหมก็กว่าเจ็บ เจ็บมันก็ตอบได้ว่าตีทําไมแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปช้ําเติมขนาดนั้นนะบอกว่าเอาหน้างูก็ปเจ็บหนูก็ัวเจ็บต่อไปก็อย่าตีนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ัวเจ็บด้วยกันแหละหนูก็ปวดเจ็บมูก็ปวเจ็บบนหลังก็อย่าไปตีหมูอีกอย่าไปเบียดเบียนสัตว์อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปเบียดเบียนสัตว์เด็กก็เห็นด้วยเพราะวิธีนี้วิธีถามให้คิดแต่ว่าถามง่ายนะฮะคือคือถามยากเนี่ยไม่ได้ สายากมันเหมือนกันคือทําให้เขาเครียดหนักยิ่งขึ้นบรรยากาศมันไม่ผ่อนคลายเขาต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจว่าคําถามนี้เราถามไปแล้วเนี่ยเขาตอบได้ถามคนหลายๆคนเนี่ยคืออย่าถามให้เขาติดจะถามให้เขาตอบได้แล้วกิตใ จ, จก็จ ะ, ะเพิ่มความเชื่อมัน่นเราก็จะสนใจและจะการสร้างบรรยากาศขึ้น ม, มาเป็นกันเองได้พราะพระพเจ้าก็ยืนยันเนี่ย ยืนยันประโยคเดิมนะฮะประโยคที่รับสั่งมาครั้งสามครั้งแล้วเนี่ยก็รับสั่งประโยคเดิมอีกรอบหนึ่งซึ่งก็นแน่นอนว่าปัญญวิคีนี่จำน้นด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ว่าพุทธเจ้าก็ทรงรู้นะว่าจริงจแล้วก็ไม่พร้อมไม่พร้อม ก็เสด็จไปในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดก็ดูแล้วก็พบกันในตอนเย็นนั่นนะแล้วก็คุยสนทนากันอย่างในปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างเป็นที่ระลึกเอาไว้ที่เจ้ากันทีสุตุทิสารนานะว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญญาวาคีรือถ้าเรามองสมัยนั้นก็ถือว่าไกลนะ แต่ว่าสมัยนี้มานั่งรถเอาอะไรก็ดูไม่ไกลเท่าไรแต่ว่าเวลามาสแสดงเนี่ยแสดงที่ทำหมกะสถูปซึ่งอยู่ในในในในป่าอิสิ ป, ปะตะนะตอนพบเนี่ยพบนอกป่าคือป่าอาจจะไปอยู่ถึงโน้นก็ได้เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เขาก็สร้างเป็นสถูปเอาไว้เป็นจุดๆ ท, ทันทีเคยไปประเทศอินเดียมาก็คงจะเคยพบเห็นสถานที่เหล่านี้ เจ้าต้องปล่อยเวลาไว้ในลักษณะที่บ่มอินทรีย์อย่างที่เคยบอกไว้ว่าเรื่องอินทรีย์เป็นเรื่องใหญ่แล้วเราเห็นชัดเจนนะครับปัญญาวคีมีปัญหาที่สัตตินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาตรงนั้นที่จริงท่านยอมรับว่าท่านไม่เคยได้ยินรู้จ้ารับสั่งเช่นนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความมาท่านปรองใจเชื่อได้ทันทีพระเจ้าทรงมีพยานอย่างรู้อัธยาศัยของสัตว์ ในตอนนั้นมันเหมือนกับผ้าขาวที่ยังไม่พร้อมจะยอมมันก็ยอมไม่ได้เรวก็ปล่อยเธอต่อสู้กันก่อนต่อสู้กับความคิดจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงไอ้ต่อสู้กันซะก่นก็ปลายปล่อยเวลาไปก็หนึ่งคืนอันนี้คือบ่มอินทรีย์แต่บ่มอินทรีย์นั้นก็คือทัานใช้ปัญญาในบมน่มศรัทธาปัญญาของท่านเหล่านั้นเนี่ยปัญญาของท่านเหล่านั้นปัญญาในการคิดเนี่ยคิดทบทวนเพื่อจะหาทางจับผิด ไม่จะผิดไม่ได้ก็ต้องจับถูกพอจับถูกมันก็ปร่งใจตกปร่งใจได้นะฮะว่าก็ควรจะฟัง่อพระพุทธเจ้าวันมารุ่งขึ้นเช้าเราก็นึกนึกได้นะว่าในการปัจจุบันก็คือวันอาาุษาปูชาเป็นวันที่พระเจ้าทรงสแสดงรธรรมะจักกะระปตันสูตรการที่เรียกไปสูตรเหล่านี้นว่าธรรมะจักกะระตันสูตรเี่ย เพราะว่ามันเป็นพริสูต์ที่เหมือนกับการหมุนกรงล้อจักจักคือธรรมคือไปเทียบเคียงกับพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งมีจักแก้วพระเจ้าจักรพรรดิเวลาต้องการจะปราบปรามคนที่กระด้างกระเดื่องไม่ยอมอยู่ไปใต้อำนาจก็ทรงจักแก้วไปปราบปรามไปที่ไหนก็ลาพนาศูนย์ไปเลย แต่ของพุทธเจ้าก็เสด็จนะฮะก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเก่ชนเป็นกันมากเพื่อความสุขเก่ดชนเป็นกันมากเพื่อเป็นการอุเคราหต่อชาวโลกพุทเจ้าเป็นเอกบุคคลเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลหนึ่งเดียวในโลกนี้นะที่เกิดขึ้นในโลกท่านบอกว่าเอ ก, กบุคคลื่อบังเกิดขึ้นในโลกแล้วบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระหันตสมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะ้พระพเจ้าก็หมุนกงล้อคือธรรมะจักคือธรรมนะฮะจักคือธรรมในโดยเนื้อหาสาระแล้วธรรมะทั้งปวงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือก็สรุปรวมในอริยสัจนะะก็กลายเป็น ธรรมะที่ทรงแผ่ไปหมุนไปเพื่อทําลายอาวิชชาตะนาวปาทานกรรมเพื่อ่งแงว่าทําลายกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยแต่ในจิตใจของบุคคลให้จางไปคลายไปบรรเทาไปแต่ก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างแปลกคือไม่ได้ขึ้นต้นด้วยควํ า, าว่าเอวอเมจะพราะในมหาวัฏเนี่ยไม่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเอวอเม คือมันน่าจะมีที่มาอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญมีความสำคัญก็หรือถ้าเรามองกันด้วยความเป็นจริงนะฮะว่าธรรมะที่ต่อจากนั้นอีกสี่สิบห้าปีที่ทรงแสดงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในธรรมจักรวัฒนสูตรเพียงแต่ว่าในธรรมจักรวัฒนสูตรนั้นแสดงไม่พิสดาร คือไม่ได้อธิบายขยายข้อความออกไปโดยวิจิตพิสดารอย่างเช่นสมมุติว่าพูดถึงสมาธิถี่ก็พูดเฉพาะสมาธิถี่คาเดียวจึงไม่ต้องอธิบายว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันก็ทาให้เราเห็นว่าปัญญวคีนั้นไม่ใช่มือธรรมดาความธรรมเทศนาขนาดนี้เข้าใจจนบรรลุมรรคผลเป็นประสดาบานได้หนึ่งท่านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา โดยเฉพายิ่งกือท่านโกนธัญญาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้านะแล้วก็มีคนได้บรรลุซึ่งภาษาอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาษาใหม่แนั้นคือเรียกว่าเราไม่เคยได้เคยสอนกันมาก่อนนะคือธรรมะนี่เขามีอยู่แล้วธรรมะที่มันไม่มีชื่อหรอก นะสมมุติเ่าพระเจ้าเป็นเป็นอังกฤษเนี่ยชื่อธรรมะมันก็เรียกโดยภาษาอังกฤษถ้าเป็นฝรั่งเศสก็เรียกโดยภาษาฝรั่งเศสก็แล้วแต่ชื่อเนี่ยเป็นการสมมุติคือแต่งตั้งแต่ว่าการเรียกนั้นจะใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นสือ่อเราจะเห็นว่าอย่างสิ่งที่มันมันห ย, ยาบหยาบเช่นสมมุติว่าเรียกกิเลสว่าอาสวะ อาสวะนี่เป็นเป็นเรื่องของหมักดองทั้งหลายเนี่ยพวกสะสมพวกหมักดองทั้งหลายทั้งกลิ่นทั้งอะไรทั้งภาชนะนี่มันแปดเปื้อนกลิ่นก็ไม่สะอาดภาชนะก็แปดเปื้อนแล้วก็บางอย่างก็เป็นอันตรายคือหมักดองทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอันตรายแล้ก็สมเราะกกิเลสมันเหมือนกับเครื่องหมักดองบางครั้งก็ไปใช้แม่น้ําที่เชี่ยวกราก เคยให้ดูให้ดูว่ากิเลสเนี่ยมันเหมือนกับแม่น้ําที่เชี่ยวกลากแต่ถ้าเราตกไปในแม่น้ําเนี่ยถ้าเราไม่แข็งจริงๆเนี่ยตายนะเพราะกิเลสเนี่ยถ้าเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วเราคุมมันไม่ได้เกิดมันคุมเราวันไหนเนี่ยเราก็แย่วันนั้นนก็น้ํามาสอนไอ้น้ํามนุษย์มีประสบการณ์อะถ้าน้ําก็เรียกว่าโอคะเลยข่วงน้ําพวงน้ําที่พัดผัน แล้วคําเหล่านี้ก็อาจจะเอามาเอาตัวอย่างหี่เป็นรูปธรรมให้ดูคนบางคนที่ตกลงไปในน้ําแล้วจมหายไปเลยอันนี้ตายเลยนะคนบางคนที่ตกลงไปจมเหมือนกันแต่ก็ดิ้นรนโผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมต่อไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมต่อไปพวกนี้ยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ย มันก็โดดลงไปแล้วก็จมอ่ะแต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้แต่ประคองตัวอยู่ได้ในท่ำกลางกระแสน้ำที่ไม่แรงเนี่ยเธอกระทองประคองตัวอยู่ได้เจ้คนอีกพวกหนึ่งเนี่ยมันบ่ายหน้าข้าหาฝั่งแต่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งแล้วต่อไปก็พวกพูดถึงพวกขึ้นฝั่งอีกสามสี่ประเภทก็หมายถึงแต่ตะวันสดาบันขึ้นไปน ะ, ะเราเชื่ว่าสามัญชนเราเนี่ยก็อยู่ในสี่ประเภทที่มันอยู่ในน้ํำ นะอย่างดีก็ายหน้าขึ้นฝั่งแต่ยังไม่ได้ขึ้นหรอกโดยระดับทั่วไปก็ปกครองตัวอยู่ได้นะในทา่ทาว่ามันไม่แรงเกินไปน้ำไม่เชี่ยวกรากเกินไปว่าจะทนอยู่ในกระแสน้ำตรงนั้นได้แต่ถ้าว่าเชี่ยวกรากมากมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเอาเอาตรงเนี้ยมันมันมันเป็นรู ป, ปรธรรมที่สังคมก็สัมผัสได้แม่น้าเยอะไป คนก็สังเกตได้เข้าใจง่ายบางครั้งก็พูดถึงเครื่องร้อยรัดเป็นโซ่่วนคือคาทั้งหลายที่คนถูกจองจำถูกมัดรัดรึงเอาไว้เนี่ยก็ที่บายโทษเนี่ยเห็นได้ง่ายหรือพูดสวรรค์พูดแบบราสาทตรราชวังอะไรอะไรก็น่าอยู่หน้าใสอะไรเนี่ยแต่บมายความว่าธรร ม, มเราสังเกตว่ามันจะมีความเป็นรูปธรรมชื่อธรรมะแต่ละข้อเนี่ย เราสามารถจินตนาการให้เกิดภาพเกินมาได้คือหมายความว่าพจน์เนี่ยภาษาเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพแล้วทําทให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจเพราะไอ้รูปธรรมเนี่ยมันมันดูง่ายสัมผัสแล้วเราชอบหรือไม่ชอบเนยมันดูง่ายเพราะงั้นถ้าพูดถึงพวกกิเลสแล้วเนี่ยจะพูดในสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรา ย, เ ป, นนรายเป็นทุกข์เป็นโทษมีความสุ้มเสี่ยงสูงจะเป็นอันตรายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ส่วนที่เป็นคุณเนี่ยจะเอาเรื่องดีๆขึ้นมาพูดสิ่งดีสิ่งงามๆทั้งหลายเนี่ขึ้นมาพูดเช่นเช่ น, นสมมติว่าทางแห่งความสําเร็จอยเนี้ยเรียกอิธิบาตสี่ว่าทางให้ประสบความสําเร็จหรือว่าเรือนใจของผู้ใหญ่เนี่ยเู้เรียกภูมิหารว่าเรือนใจของผู้ใหญ่มันก็เห็นเือนผ้าเป็นบ้านเรือนแล้วก็อยู่อาศัยแล้วก็สบายปลอดเวรปลอดภยัยปลอดอันตรายทั้งหลายเนี่ย มันรามาตรงนี้เวลานํามาแสดงก็เป็นภาษาที่เวลาแสดงจริงๆนี่ไม่มีคําว่าอามาตะธรรมอยู่อามาตะธรรมนั้นใช้เป็นการสร้างความเข้าใจคือสื่อสารเพื่อปันเดวัคีย์เขาคุณเพราะเขาเป็นพราหมณ์ก็สนใจเรื่องน้ำำาําอมฤตอยู่แล้วก็เรื่องอมรยเตวดาอยูแล้วก็เขาก็สนใจคือไม่อยากจะตาย นะแต่ไม่อยากจะตายในความหมายของเขานั้นเป็นชีวิตนิรันดร์นะฮะคือหมายความมาเข้าไปอยู่รวมกับปรมาตารยกับพภู ม, มันเป็นนิรันดรซึ่งก็ก็ไม่ได้คิดต่อนะฮะแนวแนวความคิดเหล่านี้ไม่ได้คิดต่อเเอ้ยชีวิตนิรันดร์เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรไปนั่งซื่อบืออย่างนั้นกี่กับกี่กันกี่พุทธันดรก็อยู่อย่างนั้นอยู่ทาอะไรอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกกะทะ็ท่านเดงก แต่ไม่ได้ช่วยหรือกึกลอะไรแกสังคมไม่ได้ทำประโยชน์อะไรับสังคมแต่พวกนี้เขาจะไม่ค่อยคิดต่อมันเหมือนกับอะไรละ่ะหนังสือที่ชื่อชั่วฟ้าดินสลายนะ่มีหนังสือใครเขียนมาหืไมและ่ะพูดถึงผู้หญิงกับผู้ชายรักกันชอบกันนะบอกว่ารักกันชั่วฟ้าดินสลายเนี่ย แล้วก็ในที่สุดก็ถูกอะไรจ้าพออะไรจับได้เราไปขังไวให้อยู่ด้วยกัน ม, มันอยู่ไม่ได้นั่นคือคือแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะเรายังไม่เคยสัมผัสมันแต่ถ้าเราไปสัมผัสแล้วมันก็ไม่ดีหรอกจะอยู่อะไรเฉยเฉยยได้เหมือนกับยาตนานิพาในพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่เฉยเยหน้าตักทั้งยี่สิบวารอย่างนี้น ตัวก็ใหญ่เบ้อเร่อเบ้อร่าเลยแล้วนั่งก็ไม่ได้ทําอะไรมันขาดกันหลักขาดกันหลักกา ร, รําคัญของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยพระมหากรุณาคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทํางานตลอดตั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยช่วยเหลื อ, อกู้เกลี่ยมนุษย์พอนิพพานแล้วไปอยู่ที่อายตนะนิพพานเฉยเลยไม่มาทําอะไรไม่มาช่วยเหลือ พุทธศาสนิกชนเลยมันทำลายปุกกะลิกภาพของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจำไปความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าความเชื่อแบบพรมมันมันก็เหมือนกันนะ่ะทำลายปุกกะลิกภาพของพราพรทธท่านฟังทลายใต้ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นแบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี